ในทั้นสุดท้ายรายการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในวันนี้เราเก็เวียนมาเป็นวันที่สองเมื่อบรระาก่อนผมได้กล่าวถึงการศึกษาประวัติศาสตร์พุท ธ, ธศาสนาอย่างเข้าข้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาในอินเดียว่าพุทธศาสนาในอินเดียได้มีความจเจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมไปข้อมูลเหตุอะไรเป็นสาเหตุในวันนี้ก็จะเดิ่ บรรเมนอนุสนติดต่อความในครั้งก่อนคือเ้็กบรรดาแล้วว่าในสมยัยพุทธตาเองพุทธศาสนาแพร่หลายเฉพาะในส่วนสัตว์จำัต์เฉพาะในลูกแม่น้ํำคงคาจากยมูนาพู ด, ดง่ายว่าเฮยถ่ายเฉพาะในเถิที่เด็กจะว่าม่เียมประเทศเดี๋วนี้แต่พอพุทธปริบัติให้หลังแล้วสามศตรวรรษในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ได้เป็นผู้ตัวตั้งตัวตีในการดําเนินงานธรรมพูด งานธรรมทูตตื่นเรียกกันว่ามิชนาลีเวอร์งานขึ้นนี้นี่นะเกิดจะพูด้ไดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกที่เริ่มให้มีงานมิชนาลีเวอร์เกิดขึ้นในโลกตานศาสนาใดๆในศาสนาตามจะเป็นศาสนาเก่าก่อนพุทธศาสนาจริงแต่ว่าศาสนาตามหาด้เคยมีงานซึ่เรียกันว่าธรรมทูตตะกมันหรืองานธรรมทูดหรืองานมิชนาีเวร์เกิดขึ้นไหม เจ้ากระพานในสมัยที่การเมื่อพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วในพรรษาแรกที่ได้มีรอรหันตสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้ว60รูปแน่ทั้งหมดสิองได้เปล่งสิ่งนาในขามทางพระอรหันตสาวก60รูปว่าการกิทิัญารทงบนุขายะบุ้องนิตายะโลกมุัมปายะอคายะสิทายะเดวามนุษานัมแลเลยใจความว่าด้ก่อนที่จะถงหลาย เ่อเทั้งหลายจงจาริบไปจะเที่ยวไปเพื่อการศึกเพื่อประโยชน์แต่คนเป็นอำนาจเพื่อประโยชน์เพื่อการศึกแต่เชตยาดาแบบมนุษย์ทั้งหลายดูความที่ศุกทั้งหลายก็บัตราคชนหรือมนุษย์เทวรลายในเีืทองนี้ที่มีทูตในดวงตาเบาๆก็ยังอยู่ปัจในโลกนี้จะทุงเฉียงจกผลอันควรได้ถ้าหากว่าไม่ได้สับพระประธรรมแม้เราเองก็กาลังจะไปตะบนอุรุเวลาเสนาลคมเรื่อุทธดรัดน์ือจรง อ้อวอนไปในทีคุณนี่ติดเป็นทั้งคำบรรพชาไปในทีนี่เองที่ทงให้เกิขบวนการในการเผยแผ่สังติทางส่วนขึ้นในโลกเป็นข้า้งแรกของประวัติศาสตาะฉะนั้นกระผมจึงสามารถตรงอย่างตป็ปากได้ว่างานเหนือเหนืองานแผร่เป็นาาปิดต่อในโลกทํ่ทำมาติดตะปางนั้นก็จะต้องเป็นเ่อานา ร, นาา ร, รที่จะทาาให้มีขึ้น ไม่นี้ในสยที่จะตามนิ่งจากตามเขาแขกังตัางตัดอเู่าะครับเศษทางที่ก่อบมาตอนเขาแขกนู่นทางต่างประเทศ้นยังไม่เสร็จขึ้นจนกระทั่งถึงในสมัยที่จะถูกติดมีทางไปไต่หยันที่น่าทึ่แต่ในนานาปรเทศรวมทั้งระเทศยเราถึงเรื่อว่าเป็นภาษาจีนในตอนนี้อ่าที่จะาเศษภาษาแรกนะที่นี่เราจะเริ่มวาดประวัติเลยกบ้างประวัตเป็นเรื่องจีนต่างวิญญาณหญ่หลวงต่อภาษาจีนภาษาจีนจะเอากลุ่มนี้แล้ว แล้วต้องรู้จัาที่จะทำสนาเราต้มีโอกาสเป็นสนามตรงนี้เขาจะอาส่วนมหาราชร่มีมากเะองรา็ปมเเ็้นที่รแล้วก็สที่่ีารมาถึงอหงีาจะอนั้นมีเารมามากมา เราต้องคู่ที่ว่าธรรมดาหมายมั่นท่านทายที่จะให้เป็นรัตานาคานั้นท่านทั้งหาเก็จะตระหนักต้องรู้อ่อนนัยต้องรู้น้ำจตองรั้มากต้องรา้ทีมากเลยนี้เงรู้ที่จะเอาที่อ่เนโยนผู้พาไปที่จับจ้างจิตอาสาเสด็จต้องรู้ที่จะกล้าต้องรู้ที่จะกล้าเวลาที่จะทำให้คนนั ก็จะเข้าใจในสิ่งอื่นความรงอารมณ์ทางตวนญญาณอาตมุติรวมเป็นหนึ่งเมียอามมปริมาณเท่ากับความรื่เริงใจทั้งศีามทยากรัละทมาร่วมกันก็ทำให้อัตถานอดดระพุทธเจ้าถือเวลามันจะตกจะไม่เป็นท่าจุดตอนย่างเตียที่เลืถ่ตานจาน้ำอนก็ต้านน้ำอัดที่รักตั้งใจจะมั่นดาลก็จะดีดาคือจะจะดดาเมือปความ ราชมารดาเป็นสามีตาในศาสนาเขาสวดไอจีวัตัดและสวดเปลืเพราะฉะนั้นจนการกับพระเจ้าแล้วเอาศิษย์ไปต้องตราบจะลายเ็นภายในประเทศยุ่งยากอยู่อีกสีัสี่เป็นตงตจงตงกระทั่งในสมัยราชสมบัติหลังจากจุนรวมพระเจ้าแล้วสีมสี่เพราะเหตุนั้นในสิยาจารึกต่างๆของสมัยนิจังโกเราจะอ่านค้นพบประวัติรายละเอียดเกี่ยวกับการงานที่พระองค์ได้มามากมายและเกิน ทีราจาริศเหล่านี้ปัจจุบันลัทบาลินียจะอองโบราณคดีให้คุกทุกประเทศทีเดียวแล้วกว่าตีกวากันและเข้าใจว่าที่ยังหาไบละกำลงจะคุดทุกตะลุ่ยเรืยๆยังไม่มากมาเท่าประเทศีเดียวลักษณะทีราชารินั้นดูมากสลักอยู่บนสาร์สีซป็นอาบน้ำาสีส้มเป็นเงาดำคล้ายสีสีเงครับหรือไม่จะเป็นสีสจังกระเบื่องเขียดในปัจจุบันนี้ แล้วคำที intent? ่ใช้จาริจะเป็นคำสองอาอย่างนี้ว่าอ no. ัคราสามมุอย่างนีว่าอัคราคารุนิต้องอัคร่างเดีอัคราสามมุนกับอัคราคารุีิที่เป็นอัคราที่มีโบราณวิศวกรรที่สดที่ได้ค้นพบกันขึ้นและการใช้คำการิจะเป็นใช้คำภาษาบาลีเป็นใช้คำมัทแต่คำมัทธุายืนไปมากนอกจากการิจำเสาหลักนี้แล้ว ตอนโบราณสมัยังค้นพบตามสินป์าต่างๆตามถ้ำต่างๆกันเ่อยๆเพราะฉะนี้นการประมวลชีวประวัติผลงานของจักรพรรดิม่คต่อพศาสนาอย่างใหหลวงรเนี่ยราจะมีโอกาสศึกษาละเอียดทเรื่กยจะพูดได้ว่ามุเหตุที่พระเจ้าแผดลยสายพุทธศาสนาต้เกิดจากผลแห่ทการทำสคามปรกาศทหารชีวมนุษอย่างอเนกชนนั้คือเมื่อปีที่8ปหลังจากที่ทรงทาราชาพิเศษแล้ว ได้รถคณกองทัพอริราากาตรูร้พิชิ้าวแนต่างจนกะทั่งเป็นีพากองทัพใหญ่มาตึงเครดกับกินราร่ข า, า, ารของินราพระสังทั้งหลายได้อ่าวัะินคา่าเด็กแลวเป็นขอย่างยิ้งใหญเป็นดอนคาร่าท่านจะมีจะขึยนใดีหรือว่าท่านกินราร่ า, กก า, ราสำคัญอย่างไิงนคาราาปัจจุบันได้แก่อริสาท่านผ้านอริสาอยู่ทานที่อะตอนใานอ้อาจารย์อาหักพุทมาปัจจุบันเรืองอริสา เราโบราณก็กระิงกรามืเม่งนี่คือวัดันจักุระทันจักรุราทันธริงราเป็นคัที่ต่อต้านกอครัพแผนยาเมท่าของจักรพรรดิอโศกอย่างหนึ่งนั่นอสุดเพราะฉะนั้นอโศกจึงต้องขุนเทวีเป็นต้อเไกลเพื่อจะเผด็จเป็นขันนี้และในที่สุดโดยการที่กรมขุนเทวีเป็นต้นเนไกลเพื่อจะเผด็จเปที่เองบดเจ้าข้าพทหารีนก็จาแข่งต่อหน้าทัพถึงแสนเศษ และถึแห่งตารทำสงครามครั้งนี้ททขขถ้านำมาสิการณเสนอต่งเวทายดังใหญ่หลวงต่อสักรพรรดิเองเพือไม่ปราณีญาใจหรือว่าหลังจากค่าเวลาทำเศรจแค่แปดปีฆ่าในครีพาเกลทักใหญ่เชนชูกันคร่าที่จะปราณาจักรพรรดทั้งหลายไดข่ายแท้ในข้ามกางนครามนั้นสมรเูมิจัรพรรดเองทหารของข้าปรองทหารที่หคนสมรณะมีรามดติดารคและตุงติ้งางนี ต่องตายไปต่อหน้าต่อตาจำนวนกว่าแสนคนและไปราคนมากมายที่เส้ยรับควารทุกขามาจากผลของการรบครั้งนี้หลังจากนั้นข้าก็มความโกรธและเบื่อใจสิ่งที่ข้าทักใจในตัวข้าก็คือว่าความตำหนิโกรธความคุงคุษความรุนแรงในตั้งสร้างหยาดฉันตาของบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ตายไในสครามหลังจากนั้นข้าก็มุ่งทำไข่ทำมุ่งแนวไปหาทำ กระหนักาว่าทชนะที่แ้จินั้นนี si ่ได้มาจากอาวุธ่ได้ได้มาจากอำนาจแต่ภายชนะที่ท้จรินั้นต้องมาได้จากธรรมะธรรมะ่านั้นที่จะเป็นภานะที่สูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าจะมุ่งต่อธรรมไทยแทที่จะไม่ธรไทยเพราะข้ากระหนักเราว่าภายชนะที่ยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้นจะต้องภายชนะจากธรรมาใช้อธรรมหรือดที่จะดใดๆไล้งจา เขาเห็นการทำทุทอทอกอย่างทังเล่เขาจะเอาใจเขสได้เลือกศาสนาต่างๆศึกษาศาสนาต่างๆที่มีเลือดเดี่ยงเพื่อที่จะพยายามสมบูรณ์เอาสาระในศาสนาที่ดีที่สุดมาเป็นศาสนาประจาใจของพระองค์และผลก็คื อ, าาอเลืยกตามพุธทธศาสนาตรงนี้เอาพุธาทธศาสนาพระองค์ได้ประกาศพระองค์เป็นพุทธมารดาในปีที่แปดหลังสงความกลิคาร่ราแล้วไม่นาน และหลังจากนั้นเขาเองก็ได้สร้างระบบการปกครองในระบอบีที่เรียกตาว่าอมาทิปตยคือว่าลักษณะอธิปไตยนั้นพุทธานาเราแบเป็นสอย่างดัที่ปรับระดับในบาลินสิทาอังคสิทการพทับว่าดูกที่ิดสงหลายอำนาจสงหลายัเลนี่นะมีสาอย่างนะทกคือประการที่หนึ่งที่เรียกต่าว่าอัตตาทิปตะไถถือตนเป็นให่อย่างหนึ่งอำนาจอย่างที่สอที่เรียกาว่าโลตทิปตไถถโลกเป็นใหญอย่างหนึ่ง อำนาจอย่างที่สามที่ดูแต่ว่าทำมาที่ปตายถรงการถูกฟ้องชอบทำตามทั้งนองท้องทำไปทำหนาเพี่งอย่างหนึ่ง3ประการนี้ในอำนาจตั้งสประการนี้คาถาคสังเสริมทมาที่ปตายอย่างเดียวเพราะว่าทำมาที่ปตยนั้นจะให้ผลคืาสุดทั้งในขกนี้และขัหน้าอย่างนี้ที่จําำเนในบาลีสกนิบาตทางพิการก็อือปตย3อย่างนี้เราอยากธิบายอย่างไรถ้าเราอยากดีบายก็อย่างง่ายๆโดยเอาต้องมาดเครื่องวัด ลักษณะการที่เราอัตราทไปมเนเป็นใหญ่นะคืออย่างไรเราะกระายใจให้แต่ว่าเช่งคนทำบุญคนทาบุญทำกุศลปราลส์ตนเองเป็นใหมว่นะาโอน่นะเราน้ตงในที่ึงเราเกิดระําบากยากนทุกวันนี้นะก็เพราะวรไม่ได้ทำทานไม่ได้เจิสินขดีลขาดานวินิจญาเราไม่เอาไม่ได้อำมาเราปฏิบันิภพ้ต ง, ตตงกก็เริกระดําบาอย่างนี้ อลาเล็กที่สุดที่ของตัวเองแล้วแล้วไปทาบุญเขาอย่างนี all, ้ดีกว่าคาาที so no. ่จะไปถึงเนเป็นใหประการหนึ่งเออคาาที่ปะชยกตัวนังทีาเล็กหมูซึงว่าเราเป็นหมูเป็นใหญ่ในหมูประชาชนหรือเป็นหัหน้าให้หูคะหมูคณะเข้าเข้าวัดฟังธรรมเาวม่ต้องเข้าตามเขาถ้าไม่เข้าหมูคณะจะตระหีเนหมือการที่ทาบุญเพื่อจะเอาเงิถึงว่าเราต้องการสิที่ยกิ่นี้เราก็ทาไปอาการทาบุญเนี่ยตนงใจ ข้าย้าววันแรกมาจี่ยดสุดหิุดยั้งคามยนต์อย่างนี้ดีกว่าโลกาที่กระจายปลาเล็กเล็กนใหญ่มลาตัวใหญ่ใหข้อนึงแต่หมู่นึงแต่คณะเมื่อหมู่เมื at ่อคณะเขาทากันเราไม่ทำก็จะเป็นการลอกขี้นอกหมู่ลอกคณะไปเราต้อจําเป็นต้องทำตามหมู่ทำตามคณะอย่างนี้ดีกวโลกาที่จะตายส่วนธรรมชาติที่กระจายนั้เป็นข้อสองอย่างคือปลาเลอกๆถูกต้องความเสถียรทำการดีเท่ากันดี ถมาทำามดีเพื่ออะไระลังดมา่เทำานดีออกให้กับาตขอานไปบาปหนึ่งก็อธิษฐานขอใหมีนางฟ้าแนานเป็นบริวารปนสลังหรือว่าทำบุญในบปอธิษานให้ด้ท่าน่อนาคตเราทำงุญถ้าถึงทำความดีเพื่อเห็นแก่คาดี่ตทความดีเพื่อเตัวเองหรือทำความดีเพ่อเห็นแก่หนูว่าหนูเขต้องทตามเขา อย่างนี้การทำกรเราะการลดเหตุโดยการดเองทำโการมีการเจริตนาทดการรู้สึกอยากจะงคระห์อเคราะห์อย่างนี้เป็นธรรมทานิปไตยเป็นการปาบต่อเหตุผลความถต้องคำนองคลองเป็นใหญ่สมประการในสามประการนี้ดีทั้งนั้นนะมนยมเดแต่ว่าดีที่ีการดีน่ะมีแาร่อนต่างกันธรรมทานิปไตยน่ะดีเขร้อยใ เต็อีตาที่ปายจับลตาที่ประทายหนาดูกรูดหย่อนลงมาหน่อยให้อไม่ดีเลยการทำตามดีอะไรก็ตามถ้าาไม่จะปราลบเต็มก็ตามปรลบเลก็ตามปราลบธรรมะก็ตามมันจะดีท่านั้นแต่ว่ามันดีอ่าเบอร์เต็มที่ตามดูเนี่ยม่อ่อนแรงก่ากันกันมจะเทง่ายว่าการทำตามดีด้ตาที่ปรายเป็นใหญ่จับลตาที่ประายเป็นใหญ่ก็เทียงกันก การกที่เหนเป็นว่าการทำาจดีสมิทธิ์เป็นยานวิจารุตไม่กระตอกเ่ยาณะเป็นการขลาอ่าเป็นการทำใจดีท่ทำมาที่กระายเป็นให่นั้นเป็นการทำใจดีที่เป็นยานอบัมปะรุต์ระตอกเรื่อยาะนการรีแจ้งห็นซึ่งเห็นเจรนาเหไรซึ่งทอย่างนี้มันตต่างกันอย่างนั้นมันก็ถือเป็นความดยกันทานั้นในสาจักรารนี้หครับพระเจ้ากระโศดดึงดเาหลักธํามาธี่ะายมาประยุกต์กับการปกครองสร้างจตกระหวัตันร่มเงินเป็นศเกสรงขึ้นในทางนั้น แล้วเมื่อตอนท่ขังาวทำงานกับไต๋เขาก็จ้างตั่ทอะไรบ้างประการแรกเด็กฝึกกล้าววิเยร์ศิริาจารย์กล้าวประชาชนทั้งหลายเป็าลูกของข้าข้าตาถนัดให้ประชาชนอันเจ้าลูกของข้ามีความตกใสบายใจจินตุรมณสมบูรณ์ผันใดข้าขอส่งจำเรต่องามของข้านี้ไปให้แก่บรรดาเจ้าเมืองข้าหล้งทั้งหลายทุกคนในรัฐัิมามงคลของข้า อ๋อไม่มันจะหลายแสดงองค์การั้งข้าแล้วเป็นประทึกต่อราชสบายีั่งเตียงเหมือนหลวงประทกต่อทานข้เช่นกันองค์รั่งายาักนักมือท่จะมาทานเมืองว่าให้ถือราชสบาในี่ร้านในสองมอนทพระเจ้าอตโต้ข้าหมมงคนใดจะมเป็นใดปริบุมัดถูก้อต่อพันนงครองทำแล้วก็ให้ถึงกวาเข้าจับประทึกถูกทอต่อพระโอรสสดาของพระองเหมือนกันแล้วก็อันดับที่2 อั้อำนาจเรยว่าอำมามหาอมมาจเป็นผู้ที่ควบคุมการพิดถึงทำให้ข้าราชการกับประชาชนในข้อนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงในสมัยที่สมัยนึงในประเทศไทยเราเจ้าหน้าที่ข้าราชการแถบวัฒนธรรมพยายามไปเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านศาสนากับประชาชนกับทประชาชนการกระทอย่างนี้เนี่ยก็เป็นกำลังอำนาจที่กระจายที่เราคุ้มมาแล้วนี่ยแ้าอากสุเป็นํามาแล้วตัง ข้าราชก า, า, ยายรผู้ใหญ่ตำแหน่งพระเจริญธรรมคือเรียกเปนว่าธรรมะมหามารตำแหน่งธรรมมหามารตำแหน่งธรรมมหา ม, รร ม, มหารนี้นรรมีหน้าที่คอยตรวจตราคามประพฤติีลธรรมของแต่พาคนในข้าราชการข้าราชการคนใดขอรับชื่นก็หน้าที่ธรมะมหามารก็เส็นรายงานโดยตรงมาที่ปีจา่าเต ไม่ต้องฐานใครขทั้งหมดต้งเดินเป็นรายานมาด้เฉพาะเลยและพระองค์จะเรียกคันมาพิจารณาตัดินโดยตรเพราะฉะนั้นประาชนต้ก็โกรสิพลว่าก็คงพัรนเรียงเหนือรกอุดนกดดหรือว่ายักดังเรื่องราวไม่ให้นู้ใหญ่เน่อยหึายไม่วพราะว่าธรมะมามา่เป็นที่สรวจราชการต่างข้าราการพราะฉะนั้นเขาเป็ูที่ะเป็นวธและวัฒนธรรมกระจายต็นในตัวเชื่อราชานาจตธรมะมันหามมานีเต็นเต็มไปจนธมะธมะต้อง ขุกจังหวักทุกอำเภอทุกหมู่บ้ากที่รัจะนำมาจัดไปหมดมีน้าที่ส่งเสริมธรมงเสจและะกที่จริยธรเป็นตัวอย่างให้ประชาสดูเรื่อยเป็นข้อสข้อสามเพื่อกระทำด้วยตัวเองเป็นตัวอย่างในที่สุดสิริยาจาริกลายต่อหนี้ราษฎรทหารในจักรวรรดิข้าจะได้ยินแต่เสียงยุทธภัยรียุทธภัยรัวดีทุกคนทุกบ้ ขันมาบัดนี้ึกจำเดิญตั้งแต่ข้ามื่นคำตีคมใช้คาแล้วเีมือนสเปริรานั้นไม่ควรใจทุกคนทุกแหงราชบัลลังก์ข้าจะได้ินแต่เสียงธรรมเทวิแทนเสียงธรรมเทรีคือกรองคำท่นจะได้ยินเสียงกรองตึกได้ยนเสียกรองครรมาทวินนั้นคือเสียงอย่างไรเสียงเตาประด่าว่าฟังคำจกันเถียบ้อเจ้าหู้ชอบหลาย จน่งทกันเพ่อเจ้าผู้เจ้าทั้งหลายจนเข้าวัดกันเธอพอเจ้าผู้เจ้าทั้งหลายทุกเสหอและเหาเร่งรีด้เสียงธรมโพธิ์ล่าเราะอันพิธาเปรีนุกูลการปฏิบักษ์สังมในั้นั้นทรับไั้หลายมุ่งหาสินทาโดยที่คนทั้งภาเป็นผู้ปฏิปิตรใหญ่เป็นกำับว่าในตอนนี้ไม่มีเวลาที่ข้าจะไปไหนมาไหนการญาติครั้งข้านั้นเป็นไปเพื่อยึดคยากิครากอรเปิดไปเพื่อลบคุยงคราม แต่ขั้นมาแบบนี้สิจำเดินไปใส่ข้าเป็นพิธาเลยการญาตรางข่นนนานั้นเป็นธรรมยาตราการสาริไปเที่ยวำข้าได้ไปเที่ยวเยี่ ย, ย, ยมเยินธรรมะทีกปราตามวัด ต, าตา่างๆข้าได้ไปปางทำตามตำหนักของพระพิสุกระหายไถ่ละตามวัด ต, าตา่างๆข้าได้ไปพิจารณาทำกับบรรดานาาาาัากธราที่รู้ธรรมะคณาจารย์าาตามคณะต่างๆนี่ผมตจบอย่างนี้เลยนี่อาจาว่ข้อ อันดับต่อไปนนนนอออเป็นข้างงานสันคนงคมสงเค ร, คราะห์คืเป็นขั้นแรกเลยลกงานสังคมสงเคราะห์น่ะใครๆไม่บอกฝรั่งดิฉันคิดเปล่าเลยหา พ, พูดเราเป็นภาพแรกที่คิดขึ้นแล้วก็ผู้ที่คิดขึ้นคนแรกแนะหหรก่นก็เคยจิตจะของเราท่านผู้จิตจ้าเลยเป็นการหลักสังหารวถุสี่เก ร, รองว่าสังคมสงเคราะห์มัอาอะไล่าสังคมสงเคราะห์ในตัวคือว่าทานโดยการเพาะสละกการช่วยเหลืออู้เเบือแพ้ นะวมทานแล้วก็ออ่าปุญญาวาจาการพูดชอบูดหนึ่น่แล oh. ้วก็ออาจริยานจำาพประโยชน์ต่อประชาชนข้อสุดท้ายเสมาและตาการวางเร็สมันเสมอตนเสมอปายข้อนี้เนี่ยจำเป็นมากไม่ว่าจะมี็ข่าวกรายนี่จะเป็นนักสืครองนี่จะเป็นพ่อแม่เรือนขาดธรรมะสี่ข้อนี้แล้วก็ไม่เป็นฝ่ำทำไมถึงว่าถึงฝ่ำเพราะว่าคนเราจะอยู่ในสังคมได้จะเบการเรกเร่เบื่อแผลใ่ไหม เพรวันนี้หลักโดยเสื rein, <tierra> ่างต่างที่พลังึ้นขึ้นน่ะเห็นไหมเอนการคี้ส่วยสลกทีเอ้ยเการคุณต่างๆสงอเป็นชาชทุกประค่าไต่างเอ้ยนี่คือต่างเลยที่เกิดขึ้นที่เสือละแหนี่ยไม่ใช่เกิดจากมลเหพาะการเกิดเรงน้เกิดจากข้อพิจารณานี้เนี่ยเป็นทางตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่เป็นของใหม่ถ้าเรารู้จักพุทนาดีแล้วทุกสิ่งทุกข้าพุสอไม่หมดไว้มที่กอพลังนี้นักสงฆ์สงฆ์ข้อใดใดเลยจะคิดทำสิ่งข้อแรกคือทาน แต่ข้อกันเผยแผ่กันข้อสองคืิยาาจารข้อนี้แหะสาคัญที่สุดเพราะว่าคนเราน่ะจะชอบพอกันรักไขรกันกระดึสิยาลาจาร์ราษฎร์ี่ลัวข้าราชการเวลาไปติดต่อหน้าตบหาว่าข้าราชการท้องถึงนที่โ้้ามันน้ำมือหน้าให้คำนาจบาดใหญ่คนตีราษฎรข้าหามีคํา่าสิยาลาจารแล้วก็ไม่ต้องมาแจ้ปัญหาหนักเหตุหนักใจในข้อที่ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่โอ้ห้ามกันั่นราษฎรถามันห้ราษฎรกลัวข้าราชการอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องมัน ปัญหาในเรื่องนี้ข้อมีคือปีญวาจาการที่ดีการพูดดีจะต้องมีถ้าเรามีสองข้อว่ามันมีการทีดดีคนบังคนน่ะถึงเขาเคบรถตัวเขาเองน่ะเขาไม่อยากจะรับการทั้งข้อจากเราคนอยาจะให้เขาต้องสีจะเป็ข้อเขาตั้งสีข้อการบุบบานให้หาะเข้าเขาก็อยากรับคนบังคนน่ะนี่ยเพราะฉะนั้นตงมีปีญวาจาพ่อจเขาจรอบข้อที่สอนให้อนจากมีทานแล้วจะต้องมีปีญวาจา น, นะน้ว อันที่8ามอขตราจริยากําำนัเใ็นประโยชน์ต่ออันนี้ครอบงำหมดเําไม่บำรุงประโยชน์ที่ครอบงำแล้วเกิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งค้งาแรงชาใดๆก็ตามก็หากว่าเป็นพายพุเสียประโยชน์แป อ, อยู่ในต้นเคระในข้อที่อยู่ว่าอัตราจริยาคำสิี่ก็อยู่ในข้ออัตราจรารย์ แล้วก็อันที่สี่ตมะนตตาคือทำงานอะไรจะต้องมี่งมี่นใจไม่ใช่ว่าริีแต่การี่เริ่งแล้วก็ทอดทิมาในตอนตายอย่างนี้นานก็ไม่ยินานเพราะฉะนั้นรายจะมีทานมีปิยวาจามีอัธาริยาครบเต็มแต่ถ้าขาสมะนตตาการวางตนในสมัยเสมอเสมอกายแล้วอีกสามข้อส่งทับฐานเหตนั้นหักโดยกาจะพิจารณาที่เี่จำลองแสงกระนาวัดขู จึงเป็นหลักใหญ่ในงานทังคสงฆ์ทัไปแล้วพระเจ้าโศกนั้นจึงนาเอาหลักทั้งหลายไปใช้ยกตัวอย่างเช่นเป็นสร้างโรงพยาบาลสาธารณะขึ้นทั่วกับเทศโรงพยาบาลนี่มันถึงมีเฉพาะรักษาคนนะรักษาัตดวยแต่พระเจ้ากนั้นได้สร้างโรงพยาบาลสัตว์เป็นโรงพยาบาลหลักแรกในโลก่อนพระดังสร้างสร้างพันกระาูีพระดังที่จะมีโรงพยาบาลสัตวราวสองร้อยปีมันเองแต่ว่าพระเจ้าโนั้นสร้างโรงพยาบาลสัต ตอนฝังต้องทำตัตพ ย, ยาบารลรักษาคนพยาบารลรักษาสาัตว์ทนั้นแบรบิการตรีหมด <c oughs> ตรงนี้ไปคน้งข้ออย่ามหาศา <c oughs> ลเร่แต่ลโรงพยาบาลประกอบด้วยหม อ, มอแล้วก็ประกอบด้วยเภัชกรหมอไปเภสัชกรเราทำอะอยากให้จำไป็นสัชกรเดี๋ยวนี้นะเภสัชกรเป็นเพศเดิน ค, คือสมุนไพนะครั้นั้นหนึ่ยาฝรั่งรอกเนคือสมุนไพยนะ่ะคอยตายาบ้างคอยเติมหม้อใหญ่หม้อใหญใหญ่ให้คนตื่น่ะ เป็นดาสมุนไพรแล้วก็ต้มข้นยาให้เป็นผานเขื่อนยาในที่ใดหนึ่งเป็นยาก็ไป้มเขื่อนาขึ้นแล้วก็เปสร้างสนยันนาอุทยานแห่งชาติพระรังไม่ดแลิดะนอุาแห่งาขึ้นพระเาเสก็ระเจาเสกทอนเป็นชาแรกก็เลยติดคทำน่าอาแห่งชาต่อนพระเจาเสกเป็นนี้แล้วเรียกว่าเป็นป่าสงวนป่าพิพิยังไงวะ คณะรัประการน่ะต่าเสน่ห์และต่าอัจฉริยะอัจฉริฐานน่ะมีเยอะแยะไปเลยที่ไหนเป็นที่ของทีะเจ้าประทับที่นั่นเป็นยานะอุทยานแห่งชาติเบออาเจนติกราชบกช่วยกันที่พรดระสายคิดตัดเองมลนจะออกกฎหมายมาคุ้มครองตัดมัาจะออกกฎหมายมาคุ้มครองกรันแล้วองการตัดไหมราราชอกจัดการทุ่พัะเองเพราะอะไรพุทธมรรุยพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่นอายกตัวอย่างเช่นเบลุกันารามในรุกนารามตรันปะตะรันปะตะาปะสถานที่อ๊อกยาไปหน่อย เวลุ ก, กนารามกำลังขจัดนลร า, ลาปาตะ า, านอยในแผนเหนือราชพินี่จะเป็นรา น, นะอทานานแห่งแรกขาจ้าพิิสานหลังทัิณเอฟตกตั้งพระมหาพิจฉาถวายเป็นัถาคารามแห่งแรกในโลกที่จะศาสนาเน่ยมันเลี้ยงกลงเยอะแยะเลยแต่่ า, า, า, า, านี้ตัมาเนหลรับการจารณาหมดแล้วเวลานี้ถ้าสมายัยยก็ถยานักษาจตนีนนนได้เอากลางมาเลีเ้ยงเันพันเปรย์เดียวใรได้ภิคระน า, นาก็งเจอละ วัะ ส, สขขาจะเก็นครังกี่เจ็ไว้วปายวันนอุทยานถรแล้วันนั้นอุทยานครั้งที่สองอที่เมืองาวัดถิเทตาวนารามแห่งหนึ่งและก็ะผิดพาราแห่งหนึ่งสองแห่งของของอนณาจัริจารณาัตของสตาขายสีคารมาตาเป็นมหาอุบาสิกาของกุนจันาพรรดิเมื่เวานนี้ก็ขุดเพราะทำไมอดียานบราณคดีขุดขึ้นมาแล้วมีแต่ป้า ขณะอุท ย, ยานแห่งต่อไปอยู่ที่เมืองโตสังตีเรียกกันว่าโคิตารามโคสิตารามของมาเลดอเซกุนชิวโคสิต า, าอุทิาาศไว้เป็นสังขารามนี่นะครับทุกตานะ ม, มาในสมัยมาเลดาเศศซกต้งประกาศออกเป็นกฎหมายห้ามราษฎรไปกันร้อยจักรี่ราชามาจากห้ามหมดไม่สบายสักไอกกันเนียนชิ้ตาะว่เวลานั้นนะรามาารามต้องข้ากัตรูยานศัตรูชิง เราอยาหให้เาขาเนี่ยมากินเนื <crosstalk> <udge Mer> <ian> ้อโคการกินขอาวพิธการเนี่ยกินเนื้อโคนะสุธิมุระก็วันนี้เราไปถามว่าสุนิมุระบางทีกินเนื้อโคไม่เไว้่ายแขกกินขัดกินผัวกินกระพับแขกกินเนื้อกินหมูกินโคเน้่ยเช่นเคเป็นธรรมนัติประยำเป็นบาปนะแต่ว่ามุ่เหตุที่แขกกินเนื้อน่าชอจเอาเสียก่อนตอนหน้าตอนหน้านี่ขาเป็นกินเนื้อยู่เช่นข้าวเนี่ตัวดีนะครับุษยานทีหนึ่งพัห้าร้อยโคห้าร้อจ็ดห้ารุาน อย่างเหากูตพันามแว่ารันปันเขยิบกูตะพันตาอู่ตคือขยิหรือโกอ่าัตะก็ว่ากูตะันตะก็กก็แปลว่าฟัมปันเขยหรือฟัมปันโกงมาจะตากอยู่กูตะพันตะามกูตะพันะพมี่จะเป็นจ้าเมองนึงมันเมงนึงแล้วแต่ก็จะพาเลิการบุพามหาใหญจะดูพามหายหญใหญ่ทีเหคือจะถกข้ออะไริด่อยนึงว่าจะให้บ้านเมงยิ่ จะม sure ีพมาให่ต้าแต่ห้าร้ยตัวโคห้าร้อยตัวแพห้าร้อยตัวเนี่ก็เอาคำสั่งให้พวกทหารเราไปจับ้พแตะมาถูกว่าจะเขาขืนเพื่อฆ่าอันดีพขาไม่จะเจ้าเสด็จตาที่หนึ่งนี้มานี้อรจะบอกวาเอาคก็่สมณะโคดมเเป็นนักากรอบ้สพัดอย่างอยากนนั้นเลยเราจะไปลอพิารณาสายจากสมณโคดดูทีนี้มองห้ดจ้า แล้วก็มาปราลบตว่าตัวจะเป็นแบบเคามืบ้านมือเคาะร้านตัวก็เคาะไม่ีปราลบการยิงธามหาญานใีการฆ่าอย่างละ้าร0อยร้อยเหรียญจะดีไหมหลวงพ่ะจาแต <Yes. S 2> ่ย er ังไพระพุทธเจ้าท่านใข้หลักนักบองมาสอนตามตัวนี้เพราะบางทีมันจะโม้หนึ่ก็ถกถามบ้านมือท่านนะจะบุรายังคุกคักอยู่รือสามเขบอว่าโอ้ยังคุกคักอยู่ตั้งแต่ละมงนี้รากรมไเ็มันกินอันนอนต้องข้าวมาต้องิ่นึบกินหลับมีนอนป่าจะกระดมัน้เพลิน พระกจ้าบอกว่าทามถ้าทางนั้นขึ้นจะอย่าพิ่งามมาหายันเลยต้องจัดการปราบที่ห้ราชามซก่อนเถอะทามก็บอกว่าจะปราบยังไงนะอ่าก็ปราบมาแล้วนี่อาวุธก็ออกมาแล้วตำรวจตำรวจก็ไปจับแล้วก็ไม่เ้็นผลนำรวจจับมาที่ร้านเราตำรวจจะว่าอยนางนี้ปราบได้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นการปราบเป็นนักปกครองมาแล้วก็ขอิี่ทารเป็ครองพร้อมที่ทามจะขจัดให้กับทามองค์ตะกันตาเหลือหลุดาม การที่จะทำให้หากระบาลไม่เป็นผู้รานะ้าน่ยนอกจากท่านจะปราบไปอาญาบดิ น, นแล้วไม่ได้ผลหรอกกาทำไปแกอาญาพันะินเนี่ยจะต้องทาให้ทุกคนมีอาชีพเป็นหลักฐานนะทุกทุกคนมีงานทาไม่ไรงานแล้วเมื่อทีอ่หุกระามีงานทำมีอาชีพเป็นหลักฐานแล้วครโนมที่คิจะเป็นผู้ร้ายประถานอย่างนี้ทางวิถามอกจะทำได้ไงล่ะพอเองที่จะทาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทํเอาผู้ที่เจ้าก็สอนบอกตาม ราชดอนดาที่เป็นกติกรท่านก็จงให้โคดังแทะดังไปเรื่องใ้รัฐบาลจัดหัดเลียให้ใครเป็นเกษตรกรก็จงสัดหาที่ดินให้บุกเบิกให้ให้ให้ข้าวป่าถังตาจะ้ทำไร่ไถนาไปที่ได้รัฐบาลจัดให้แล้วก็ใครเป็นพ่อค้าขายนทุนราชบาลก็ให้ซิ่วยืนยันไปเป็นหลักบรหารก่อางตั้งเร่องตั้งตทำารกก่อนทาได้อย่างนั้ทุกคนก็มีงานทำไม่ไม่ร้งาน และบ้านไม่ได้จะสมุทรราชอุตระคัาตามก่อนับทำสั่งจากพเจ้าไปทำไปทำอย่างนี้แหละเือใครเป็นพ่อค้าก็ให้ออทุนรัมาให้ออกที่ม่ไปเพื่อลงทุนใครเป็นเกษตรกร ร, รับรัฐบาลก็ให้ที่ดินไปไปทาใครเป็นรัฐนตรสัครัฐรัฐาลก็จกับจัดเรียเหนว่าทไปได้ไม่ตี่นตืออีกอีกวนหนึ่งทิเตเจ้าเสเด็จความมารงนี้ก็แว้งอมาอตรคนสามหน้าตายิ้มย่องผ่งใสตาตวก อารักษาการมาเข้าป่าอกัเจ้าค่ามานี้บ้านน้นก็ถึงราค่าแต่บ้าน้นก็ไม่มีเลยมีแม่เล็กอ่อนที่ลูกไม่จะแก่เหมอนเป็นคนเโงาบ้านแม้แต่ประตบ้านเรื่องังัก็เ่ย้อกัาเพราะผลที่ข่าพูดจาโดยทนตังก็เป็นระดับจับงานไม่ทช่คนทำจับที่นม่ใช่คนทำจับตักไม่ใช่คนทจับคนไ่คนท้ายแล้วถง้นี้บ้นี้ต้องาค่ะผมควรไล้หรือที่จะปรถตการลุชามหาดัง เขาก็บอกว่าฉัควรแล้าแ้วเรือายนี่ขันรามขอยู่นี่จำปม่ดรานอยู่ดีจริีควรแล้ที่จะกราบไควกามดีพามหาญาณข้าก็ยินอยว่าดีพามต้องบังคต้องาเจ้าข้าผะ้จ่าว่ายันตอนความยันอย่างนี้ก็อนยะกษ์ไม่สเร็จยันอันใดที่ทำแตเาต้องทำให้คมองน้ำตาต้องทำให้คนเบื่อหน้าต้องเป็นการเกีนร้องเรีนมาะบอนต้องเปการเื่อเยื่ชีวิตเขาอย่างนี้ข้อันยัไม่สำเร็จาก ท่านก็ขอย้ำบว่านั่ดันอะไรที่พระอนยักษ so ์าจะเสสร็กันเขาเ็นจ้า้อัเข้ามาเป็นเป็นหลักจะไม่จะขาดเลยจตครังตั้งอท่านจะต้องมีสีจะก่อเจ้าท่านเองไม่ขาย่ท่านมีมัตตคของเป็นผู้นัเข้าพูดแล้วไม่มีสีไม่มีทำแล้วจะถูกขวางเว่าะว่เขามีความศิไม่ยอมรับฉะนั้นตัวท่านเองละท่านจะต้องวาว่สีนเล่นปฏิปิณมากแล้วก็ทสอนขถามว่าถาจะเกจะสีหรอไม่ดันอะนที่พะอยักษาจะเสสรกัน มจะให้คุณมาปนิระานเป็นหลักเปนประธานกตามต้้งต้นขั้นตอนนี้งจะ่อตานแลวที่ติดขอกเป็นทางเาถ้าคุณเรามีสิ่นีกทำอย่างนี้ก็คือเขาจะสุดขัวที่สุดแล้วก็แต่เาต้องไปต้องกาใงนะไม่ถึงถึงนะแล้วก็ไปฝถาเราทำไม่รักยิทที่เรัวจะ้ไหมก็จะแบ้ก็คือว่ามีธรมะการมต็นธรรมะเนี่ยก็จะถง้ เมื่อแต่เมื่อตาเมือกรรมเมื่อตาเม่อจากรรม ta, มื่ตามื่อกรรมยิ่งขึ้ขนาดเดีอันทังทัมื่อตาม่รรเมตามืกรรอาที่ที่อาพ่ก็ถามว่าม่าถึงว่าขนาดีริมั้ยขบอกว่าม่การแสดงการนาแบบนก็เอาคำเป็นบจากตันแห่ถุนจากแงจะแห่้าเป็นแบบนิดๆหนเ่งๆหนึงๆหนงที่ฝึกอุัมภ์ต่อประ่อยๆอาจจะเป็นนานั้น เป็นผู้ดาเนินผู้ดำเนิน่งนี้เป็นผู้ดำเนินหนึ่งเรอนีเป็นอิสัคัเองถ้านันกปรากฏควมจากจุดโดยตัวเอว่างคจะมีระยะทามันจะทาตันนี้จะทามันติดสิ่งใดส่งหนึ่งจะเกิขึ้นเรื่องเธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดยอมีการตอบรับเป็นธรรมดาในที่สุดเป็นหลักจากขันยาปรากฏต้องหยุเช่นจากความเศ้ามองเป็นระยะคนทัานแรกที่ผ้จะตันาครางก็บอกตั้งใจวันนี้เป็นต้นกที่เเรีนอานาจารยงเราจะไม่ถูกขยีดจรงที่ การให้คอยกับที่จะาเมื่อในอภัยานหมดแล้วก็กราบพูนแสดงการดื่มสประกาศจเรป็นพุทธสาเมื่อความในกุศลตาเกิดอย่างนี้พระปัสสาวก็ได้นามาใหเห็นว่าเพื่อความในขนั้นอ่ะข่ากัจําริ่มเนการข่ากัที่นอกจากเป็นการแสดงแล้วนี่ตาคนมาตื่เตนไปแล้ว ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิของภาคครออ่อนเด้เนาะคือข้าก็หมดเนี่อีกเราจะเมื่อก็ถึงพันแพก็ถุงพันแต่อ็หุงพันจะถึงพันอะไรได้ไงล่ะเออข้ากำหนดตรงนี้มีการมีการเรื่องไร้างเลยเนี่ยจับตาก็ถงันจับบ้านก็ถึงทันไม่ร้จะจะบันไงถ้าาะ้นในข้างนั้นอะไอบาสไอจันก็เอาไอบาสเอาไอจกนอันนั้นอาจานเป็นจันไรสมอจันไรอันนั้นอะใครดูที่คอและบังคอแกะบ้างคอมูสบ้งคอควายคอกระดดงบ้างเป็นอย่างนี้ตัวนั่นเอนีเลยนนนี่ันกระกตา ไปถามที่ิทาของตะหนัตาลีิม้เลย่ระหนที่ทาเมื่อใครฝืนฮิะเนี่ยเมีใจน่ยมีสาตานะเอ็มเกัง้สาตาตาใจดีเป็นอมาเวยผิวเนืออ่อนงามเป็นตาสวยงามโดยเฉพาะอุมางามากแล้วก็ตั้งตงดดเรยวาอ่อตาลีนางตาลีตาลีที่เรียกํา ดำนางเตาตาก็เปนางดำตบุังดุแม่เจ้าเสือกับมือเดำายเพาะหน้าตาถึงน้าเงียบีโลกราบบอกอุนไม่รักหน้าไม่เปงามแต่หน้าก็เป็นนางยักที่มีตแล้วไม่ชื่อเราให้นางนางโลเรัสดงบทโกรธให้ได้ดดถึงว่าจะนางามโลไหมให้เนางามโลหนาถึงขี้เดียวเท่ากับาบทโกรธเนี่ยนะอเสื้อแปลสสงออกมาเหลือี้ือขี้นี่ก็ถืทาเนยางไหนหึ่งคือตอเลีองโดนงหมดราคาหมดทั้งนั้นเลยี่เพราะนั้น เจแม่เจแม่เอามาเลยละปองสวตาดีเพราะว่านางดตัวน้ดำดีดีาสรางูกเธอเเธูกก็เป็นสีดำชาสีดำด้วยนะนางดำเขาไมั้นาไม่เป็นไรเนาะไม่ไอ้บาเกัดจัดเนี่ยใ่หมโจรตัวโคราแล้วก็อโาอปอัดไปแล้วกิโคาโมครยยงเนบานี้นี่ยเต็มตัวมักเเจะเสด็จเลยต้องฆ่ากันกันไปเรือยบางทีเราเชื่อคาเชื่าในกาว่าคู่เข้าึงไม่ลยย เขาเข้าตามไปเข้าถึงตานีเด็ดดาบได้เฉเป็นตัวนี้นั่นคนมันักโกรจัดเลยนะไม่ว่าอินคมยนยนรักหมาไม่โรธหมดข้างขางขาวหมูใคครเข้าถึงก็เข้าถึงเด็ดามาโอ้โหก็ตุลยยงูดีนนตาี้เต็มเลยฟกันหมดแล้วไอ้ฟัโกรจัดตานี้แหละจะแม้การีฟันโกจัดตานี้นะตลอขาสมือนะแล้วก็เอาัวตเป็นเพีงมาลายดอกะพาลรมาลายแลบวืมออกมาจากปแลบลืมขัดออกมาแล้วก็มีฟต แลบนินก็มีเลืกดดอดมีเลือดมีเลือดอันตากเลือดเลอดจะโอนจะต่มาจากเลืแล้วตัวเองเส้นลำเส้นลำเส้นลำหยดที่บนอกท้อกที่สี่รักสาลหัวที่เองเส้นลำบนที่อกขวาที่มือนถึงศีษะยักษ์ถึงศีรษะยได้์แล้วข้าหนึ่งแล้วก็นอกนั่นต่อมือข้างหนึ่งลองเลือดที่ตกจากคอยักษ์มือข้างหนึ่งถึงเทพัตราคือขวานขานข้างนึงถึงอ่ามอนมอคืออกี่นิหนึ่ง มือข้ามึงถือาระันถิกราตรายูีปางซี่เโกดกูพาอย่างตาหัละผมเนี่ยไายาห์กปิอ่าเอวยื่เลเี้ยปาตาเฉลยหลังจับดวงเน็ตเขาเด้งออกมาบากนอกไดมากปางนี้เพื่อแ่จินดูเกลมาหนักนะเวลาจะเอาใจเจ้าแม่ปางนี้ต้องข้าจักมู้ายันและเวลาข้านะ่ะถ้าตาัดแผลแพ้นะ บัวใหเลือิ้งทุข่าปากดีเยที่สุดมหาศาลจะาแม่โตดทหารว่าเลือกไปทิ้งทุกขาป า, า, ากาแค่เพื่อเพ่ที่เจ้าแม่จะได้เจงเมย์ินมงจะม่ไปขดเราตอนตัดห้ได้จังหวัดที่เขาั บ, ะะ บ, เ, า เ, าบ เ, เรืยเรือทุกขาปากพุกเ่เลยอย่างนี้จะะ้กกาแม่เตดบากรรมและมาจะมะ้าแม่ยกขหมดอย่างนั้นยังมีอีานใน่นี้คละกตาในวสุพาการขัดการขัดกาลีข่นเองมาผลักการขัดก็คือการขัดในนกักยะานี่ก็มาจะซี้ดเทวะอะไรจะไม่มานะกากาเนี่ย คณะกษัตรเดินนี่น่ะเป็นเพียงแต่หมู่บ้านเล็กๆอยู่ฝั่งสมุทรเราต่อสมัยอ่ะจักรพรรจเป็นปกครองดือนน่ะจิตในที่เป็นต้นเวลานั้นน่ะที่นี่น่ะมีโชว์ลาถึงจะแม่ตาลีเสน่ห์หลักตาลีธาตุตาลีธาตุจักรพรราลีาตที่รหัาศทหารเพือจะแม่ตาลีที่เหนือใครกันเมืองนั้นที่ข้าจะเพ่จะแม่ตาลีมาอันศึกเ่นนี่แล้วมีตัวสอัรั่งเป็นหลักคะกษัตริไปเลยการที่หนึงอว์ลาแม่ตาลีแตวนี้มีคนพาตังประเทศจะไปดูเข้าเพื่อจะแม้ก็ แล้วต่อหน้าโกยเตนเตะเอียมากนาี้เหมือนยังไม่สุดเลยยินท้าขึ้นไปหมดเลยพอฟันทัลไปออกว่าโกยขึ้นดูกำลังข้างเหมอนกำลังบูชาอยู่อ่ะที่เลือดเลือดจะเสียที่เซ้นหน้าเต้นดินแรงเซ้นไหลเที่ยวมันคนตายเลยเอาขาปากโกยขึ้นมาเลยบาดเจ็บแรมันคนสกัดต่อตาลากเลื่อนเนื้อเลือเลือดบริเวณเศเสรับรับรับเลือดเสมอเนี่ยคนบางคนในรุ่นนี้แล้วเสอเอเสมันเรี่อยหยุดไม่ติดนะข้าง้าอุตมะตาล ลาสินจะเตันเมเาเนั้นสันี่มเป็นม่เราเป็นแฮชื่อาิมอการีเลยตอเ็เี่ยวชรนะว่อยนี้ใช่ไหมเออไม่ขั้นขั้นเลียงที่เป็นอย่างนี้ขั้นสิจารณาขั้นสอบพระเจ้าอสก็นานี้ศาลเจ้าแม่การีเป็นเมืองหนึ่ข้าสกุลาทยังจำเป็นเมืองหนึเพราะฉะนั้นพระเจ้าอสงฆท่านมีอยู่ในเใบสูงน้องจากเชิงการเจริญเมตตาพันแล้วยังเป็นการรักษาพันท์จัดเมืองศูนย์ออกกฎหมายฆ่าไม่ให้ฆ่าสกุล เพือความขมพอใจอย่างนี้จบหม่พอเนี่ย้งทิงไม่ห้ามนน่พิายันแล้วพระเจ้าเสด็จพยายามที่จะ่มเจาจิตใจเโาเถียงขามให้เิ้นในเหตุการ้์นี้ลงเพื่อความตั้งแต่นั้นเมินปฏิบกตาหนังล่วคือ่ันจะข่าสักจริงเสื่อมเต็มฆ่าลูกฟางทนเอาฟางเศษเป็ลกแพะแล้วก็เอาลแพะเนี่ยเลมในซอูงเรียกปารพิายันให้เจ้าแทนฉันจะฆ่าสัจริงหรือไม่ก็เอาแป้งสาลีเนี้ยมาัมาทาเป็นลูกขนมลูกตัดแล้วก็ เลยดจางภาคหแทนตั้งแต่นั้นมาเพื่อการก็เลื่ที่มุ่งขัดต่ตั้งแต่นั้นด้วย่เขาไม่จาเศษก็ไม่ยอมเอเป็ตาเมือนล้างแค่เขาจะเอาเศษเนื้อจปฏิญัติทั้งคนั้งแผม้ที่ระบมดทำมาที่ตะ1บนึงจออกก้นไม้ห้ามเงาคนสร้างโรงพยาบาลจัดจนสร้างโรงพยาบาลคนรักษาเพร็จหมดแล้วก็งสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติที่เป็นเจ้าของจสร้างป่าเป็นไม้ปรมาณขยะที่กินแล้วเขามาจิ้ปรีน้ไม่ห่านะโลเอ่รถ ปลาากผลไมต่างๆเป็นพานเป็นพันอาจะคนเดินทางคนยุบปาไ้จะเด็กินก็เด็ดกินได้ทั่ประเทนี่นี่ังนั้นนี่ถตัวารงสร้างขึ้นมาไม่คอจะสูงนอกจากนี้แล้วยังสร้างโ ร, รงสงเคราะห์คนพิภารรักษาคนกระจอกยากที่าเปลี่ยแล้วก็แล้วการักษาคนที่หมดพันได้โทษตัวเองได้สป็นอาคารเป็นข้อคนพิกา คปนขอนทลาเปนไถ่เป็นทลาอย่างโาบัญค้อเราเนี่ยอ่าสมัยพระเจาเสด็จขึ้นกพันนเนข้อเป็นทลาไม่มีทั้งคนอก็ไม่ด้อเลยแล้ไม่มี่องไต่เลยแ้แล้วมาเรเนขอเป็ลาบัาสมัยพระเจ้าเสด็เจ้าเสดจขึนกฎสากขึ้มากมายที่ราชอาณาจักนี่แล้วก็คนราชบริหางนานพระเจาสด็จจังานาให้และกำลังที่แข็งจังานนานห้กับทุอย่างงานให้ทุกคนมีงานมีการทำ เพราะฉะนั้นสังคมกำลังจางเสื่อ น, นก็คือเรกสวังในคลกความนี้ถ้าพาระเ้าเสด็จขึ้นขึ้นลสิอาจารยลึกขึ้นขึ้นบอกว่าถ้ก่อนนี้จะให้ตะกรันคือคนคที่อีกเ น, นี่ยยังมีคว า, ามยากจนความขุ่นเค็นะยังมีความไม่สงละเป็นตแต่ขาาเป็นภาษาโลกข้าได้นาธรรมะของพระเจ้ามาใช้ธรรมะนั้นคือหลักใน ม, ล ม, ลนนมูลครุสลมูคุเุสุลี่กัง้าวามอะไรู้ดีวมีอะไรบ้างการที่มูลคุณสามสิบเจประการอย่างีอะไรบ้าง หลักเป็นคนละสูตรเอามาใช้ใครลักขอคนละสูตรนี้ เ, นเป็นหลักท่าน ม, ามีโยมในการปกคร อ, องแผ่นดินขอร้องให้ราชบรข้าราชการประทิศตามหลักมนค ม, ม, ม, ม, ม3ิสองการของพระพุทธเจ้าว่าหลังจากนั้นไม่นาน ค, นคทางที่ที่หิ้งเครื่องากายเป็นโลกสวรรค์หลักเลยพระคุณะของนี้ใ่เสียงราเลยพระคนขอ ง, งนี้ส่เสียงดีพระคุของีใส่เสียงประดองใรโอ้อาจนั่นก็คือแห่งการปกครองทงข้าด้วยหลักธรระของพระพุทธเจ้า ต่ตรงนี้นีสมบัต so ิสมบัต uh, ิทันทันประคองนะสมบัติกับคณะเสงเวลานั้นเน่ยในสมบุมเถลก็มีความไม่สงบอยู่ถือว่ามีการตอเป็นคณะมีการต่อเปนคณะแล้วก็อะไรไม่สำคัญเี่ยฆ่าทะลาะกันไม่สำคัญฆ่าขรุขระเป็นคู่หูร้วย่าทะเลาะกันจรงอ่าแต่ละคณะก็มีขรุขระเป็นอัไเหนุนหนูบุกไปฆ่ากันทะเละกันเขาใจเสือก็จะแก้ปัญหาขอีุท่านก็ประกาศกับเรื่กฎหมายทเดียวกฎหมายนี่ก็เอาจากผู้จับัญดัตมใช คือขอร้องฮะพระพิษูตามหลักโมโนยูสุในบาหลีคตกามิายหลักโมโนยูสุนี่มาในบายลีคตตติายโมโนยูสขอร้องให้าพระพิตามโมโนยูสุบอกว่าันมาลักษะเสสังเกตวนี้วาพิสูิสูจมีองค์ใดถ้าพระพิสูจนตามหลักโมเนยูสุจับมาลักษณะเกแล้วราก็เชื่อแหละพิสทีิสุดนองค์นั้นจะเป็นพระคูณยูสุคนอันเน่งของหนึเพราะฉะนั้น องประคุของให้เ้าคือที่ตัวเนี่ยกรณีมาประพิจารนาในโมเนตุสจับมรกะสือเถอะนี่ก็จังนียแล้วก็เอาเป็นกดหมายว่าใครก็ตามที่ยุ้ให้พระทละกันมีการผิดในบ้านเมืองจะต้องไล่ออกจากเมืองเทศบันห้ามใมาอยู่มามาเป็นประจำยุ้พระละันี่ถ้าพระเจพระเจ้าเศต้องคล้องคำดินอันจะไม่เดือดนหอสูกทั้งเศะ สร้างระบบธรรมาที่าปตเตออันร่งเรืองเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ี้สามสิบปีเศษกันเหลังจากนั้นก็เสนอวันนักเรนกาสร้างชวรนนักเรียนเก่าเองนะก็มีผนเราคิดไปนะเป็นการศึกษาที่กว่าอันนี้จะตามให้ชีวคนเป็นการพิสูจน์ว่าอันจริงในกระแสสมยนี้แคพิจารณาสารภาพลยถ้าเออร์ทะใองเนี่ไม่มีเตมีอยู่เองนี่เป็ิที่าต่ายที่มาละเออันจะสายใ แต่คุณชายคุนาละนี่นะเพราะเศเรื่องแต่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงสิเนามันสิที่รักสิตาเขามันก็ทีรักสิตานี่เป็นเหมืเรื่องทีาคุณนาระแต่ชากคุณนาละเป็นคนที่เฉียตางาม้างามไม่เหมือนตามื่คุนาระเมื่คุณนาละนี่มึงเคยไปไหน้จะไปยมั้งเพราะว่าในตำราอ่าทางขาเนี่ยเขาบอกมอคุนาละเนี่ยเป็นคนนึกถึหนึ่งในสามหินโบราณดูเขาดูเขาดมาไรตาเฉมากถ้าใครจะคนตาคงณงามในข้างนั้นต้องกระะ ตางามเหมืนตาเมฆนารานะผู้เล่นบอกวาตางามพค่อาจจะเพียงผเสียพานเสียงเะมันไม่กระเวงกระเวมันไทยนีนะาเอาฟังถึงกระเวงไทยแรายังไงเห็นยังไงคนเสีเราะหรอกเพามบางเลกันเสียงไม่กระเวงแต่ถ้าจชมคนตาสวระเสตาเหมือนโคอ่อนเล็กางอ่อนตาต้องคมหวานตาเหมือนเมฆนาราเนยดเนี่ยอะไรงั้นแต่ใครคาระเพตางามที่รับชื่อว่ามารตามชื่อของดวนตาของลกนั้น พนังสียเราะห์ุตตะเหนี่ยมันาเหน่งไหลเนี่ ย, ยพยายามจะหาทางอ่าไ อ, อ, เ, อเหนีห่ยเบี้เป็นแค่หลาญแต่เจะาชายนาระไม่เห็นเปลือกจากยามรักษากีจากแทนคนในรักมากกับแทนมากเป็นธรรมด า, าที่ใช่ทุกคนนะฮะเวลาพักในสิ่งใดรงมากเวลาลาข้ากิดอุปสรรคสะเทอนเฮกก็เกิดอันนี้นธรรมดาเฮือกตดก็เกิดร่างข้นามันนี่นะพรังเสียรรักห์ขุกสางสร้างรักษ า, ก า, า, าขึ้น ไม่เม็นตะกิสร่าบว่าวเกิดจะหมดแล้วของที่จะอาเกส่งพระเจ้ารัตไปปราสแล้วพอขณะที่เดือดราอนั้นก็สร้างเรื่องร่าพระเจ้ามีอาจเป็นคาจนาลากษณเนี่ยเป็นคนพระฤกพระเจ้าเถไปเรื่องโมกวกกบถพระเจ้าเถอเป็รู้อจริงเป็นเรื่งจะออกคำสั่งให้ตอบสนทพามาสุิลักษณ์ดุรร้อนคาสั่งใบนั้นเพิ่มเติมพ้าจาไปบอกว่าให้พระกุศลเนาจนาลัออก้งตนโดยคาสั่งของพระเจ้าเถกให้พระกตาออก ร้อมคำสั่งเ ต, ตือนคำสั่งเมื่อเต็นเชมนนี้แเป็นาราเขก็ยอมเนจาตาบอดเลยตาบอดแล้วจ้เนี่เมื่อตาบอดแล้วก็ให้โซนจอมจไปจับมเห็นสีคีนี้ไม่เห็นสีนแล้วเป็นข อ, อนน ท, น า, นนทนนะ า, านตัวลกุกเทตกไปขัดกล่อมลำนำขอทานเขากินจักหนึ่งอีกมงหนึ่งนะเื่อยมากระทั่งวันหนึ่งที่มามาถึงเมองราสเขาจะเอาเศกำลประัดถิ่เป็นประสาทเออเหมือใครนะมือนใคร่าเป็นเหมื อ, น, อ น, นี่สามสโล มัแล้วก็บอกว่าเหมือคนพกคนหนึ่งตาบอกมันขับล่องอยู่แต่ต้องพระเจ้าโสดก็เหตุจงให้มาหาเหมบอกสุดาเจเองจะเป็นใครบอกให้ลองไล่เชือกระดับไปที่ซงที่ือกเป็นใครล้วมีพกจ้าชายจนาละนก็ขับล้องที่ว่อุตตรพิเศษว่าตัวเองแบบเป็นหนจะกำพัดกับตกมันกำมามากใครอะไรต่างๆพรานะพกขับจบก็เอาโสดก็เป็นพระสันส่วนบก่าโอ้โหนี่คืออะไรที่แท้เหตุนั่งใจแล้วเนี่ยมันทำทิศอันสุดว่าอย่างนั้น ก็เลยจัดการสอบสวนได้ตามแบบสมัจัการเรื่อเคื่องมันติดระละกสิตาเลกออกจากตำแหน่ไอันนี้เด็กชายจนละเมื่อเมื่ใจมากแต่ว่าเมื่อเเขาประคุตอาหารคนแรกเ้าปรคุตโดดงําปลอบใจเห็นผิให้โตมืเส็เด็กชายจนาละัจากโตมุขคุตแล้วทันใดนั้นทำมาจากศุกรจก็เกิดเพราะว่า้าน้าบอดตาแต่ว่าดวงตาที่อำนาจในใจก็เกิดขึเป็นข้าอาหารไปเด็กชาจุนยาละออกเดไปข้าวอาหารไปเลยนะ เาะนั้นตำแหน่งนักายาของจ่ า, า, าจสุต้องเด็กกัลลานทายน่มนักขายุนาลัคที่อร่อยเตยาไทยสำปรทิแต่ว่าเตย์ไทยสประทินี้เป็นมิจฉาทีพไม่ได้เป็าพุทธนักขูตศาสนาตูดเร็วศาสนาอาชีวกเพราะ น, น้พอพระราชอัยการาภาพเลยเตยาไทยสำปรทิปก็ทำรัฐประหารรวบอำนาจไปเจ็ดินเลยเอาเอาหมูไปขังไว้ในห้องแล้วก็ม่ให้ใครมาเยี่ยมเยือนเอาหูไปขังไว้ห้องแล้วตัวเองก็ออกมาเป็นอาจาร่นนินเองเดีย เขา่เาจะอาสมบูรณ์อำนาจได้ตอนนี้จะทำบุญ น, น้ำทายอย่างเจ้าไม่ได้แล้วเนือแต่จะหมอหนึหนึ่งฐอยู่ก็ถามมหาฤทิกจตาปัตติกาถาจะไม่จะกระพัดขือทุ่งอินทิบาลมาเล็กบกเพื่นี่จะฆ่ า, า, าถ้ า, ถ า, า, าเซนแล้วทำไมใครจะขุนตามใจข้ามก้าวเวลาเนี้เองเซเอามมาขามหนดเมื่อไปถว า, ายพระทวัดจุตตารามแล้วก็ไปเรียนกระพัดนเดืนนะเดีย๋ยดูสิจะกระพัดอีกครั้งห น, นึ่งนี่อำนาจสวงุดในของดืนะบัะบดนี้เ้แต่ อำนาจจะทำบุลทำทานนเรหู่งนีมอํานาจครอบครองเป็นเจ้าของแต่มาขำอยู่ม่เทั้งเองเอ็นจ้าวายพระพันดอพระันนี้ถ้าคนโตทำมาสำเร็จแต่พระพันธ์ยานี่ไมจางให้ชีวิตว่าชีิคนรางาะสูงแล้วก็ไม่ต่นเลยตามแล้วก็มีถึงขึ้นบินดุดนดอนอย่างเป็นนจะขััเป็เศษต่ำีงนได้ไปไปขึรูะัแล้วก็อาหลักานตงรูเนี่ยิ่งไปที่ขึ้ตาลามไปถเด็กคนนี้ไปพากานนึงเอาไนตาลานั้น เขานหลายนันที่เป็นพระอรหันต์เนี่ได้ฟังเช่นนี้ก็คนธรรมดาเนี่ยที่มาได้เป็นพระอรหันต์ได้ฟังแล้วก็รูสกลอยเศร้าใจเกิดรุกลอยเศ้าใจไปด้วยในขณะนั้นบางท่านก็รู้ิจนาที่อนิจจัตสัญญาเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นก็มเยอแค่แต่ว่าเห็นจากมาขำปั้มเหยเพื่อถ้าจะเป็นพระอรหันต์นี่ตื่นเ้นมเป็นพระอรหันต์่นเยอะยเห็นการอนิจจััญญาเลยเป็นพระอรหันต์กยอะแเลยแต่นี้เจ้เสสวรรค์ทล อาหลายทราบไหมว่าพระเจ้าโศกเนี่ยบุคคลสำคัญอะไรมาถึงมาเดินจักรพรรดิสมุทรลี่และเพาะบุคการอะไรอีกที่พะเจาโศต้องจัมายากเหมือนหมดในอำนาจในตายทิตเพาะแหะหลายทาบไหาไหมจ้าผมจได้นำอดุษถูกพาขึ้นมาสาธุที่ว่าในชาตก่อนเนี่ยพระเจ้าโศกยังเป็นสยาเป็นเดชาบ้า เหมืนก็มีสากราเป็นเด็กบ้านเต้านาบ้านนอกอยู่ในเมืองคันธระเป็นเมืองคันธระกินเผือกเผือคันธระเวลาไม่เห็นในเขตตาคิฉานแล้วนะเมื่อวีเดียรแบบที่สองกเห็แล้วคันธาระเกิดเป็นในตาคิฉานแล้วอยู่ในท่านคันธาระยันหนึ่งเด็กคือพระเจ้เสด็จในข้าศตรออกมาเล่นกองทายจะเพื่อนเล่นกองเอาทายทาเป็นรูปเมืองกันแล้วก็เล่นเกลือเกกันอยู่น่ะก็เมอี่ประเทศพระพทเจ้าองหนึ่ง เขาเด็กทานมามีกระบะตานมาเด็กพวกนี้ก็มันเล่นเลยจะบอกว่านองเขาถูกเราเวทพระกันมาแล้วทำไมต้องเกเราอย่างนั้นก็เก่ไม่มีเรจะใส่มีแต่ท้ายมีแต่ของเล่เขาจะเอาเต๊ะักยืนขึ้นมาก้อนหนึ่งพักจับมือจับทำขึ้นมาก้อนนึงเอาไปใส่บาตรป็นเจ้าพระเจ้าแลวก็สั่งความปรารถนาสีเดียบอกวเดชะอนุอนุตที่ค่าโดยถวายแผนยินกับพระพระอง์นีน่ะขอให้าจะเป็นสมกักในแถึงดินนั้นกันว่าอย่างนั้น ทศักที่จะเจาไม่ตั้งแคนนีู้ดอย่งแล้วก็ย้นผสวนย้ำผสสวนขึ้นไในอนาคตัญสยานดูไปใจในประเพณีแบคนนี้จะเป็นอย่างไรขันในนาเพแล้วโอ้อันนี้สจที่มันบบคนนี้พัก so, mm ืในแนดิน่มตะบาตั้งความสนัอย่างนี้เนี่ยใพภาแต่ไปในสายภาคหน้าแบบคนนี้จะเป็นจะกรพรรดิจริงๆอย่างนั้นดุหมาดเลยค่ะถ้าเจาอาจจะยัจะเจาแล้วก็จะเปดความแล้วคนนี้ดอันนีันงทนี้ก็จะั้งเป็นเป็นนเจ้าจั่เดินะ ตอนนี้อันนี้ฉันวาเหตุอะไรบารอะไรที่ทำให้เขาต้องเป็นบาร์เลยที่มันกลายละก็มีสาเหตุอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งของของจื่ออ่าเกิดมาเป็นนายพรานนมยพรานออกมาล่าจับท้ายสิงอะไรต่างๆตามภาษาพานตามภาษาพานนีอยู่ก็วันหนึง่งวันหนึ่งมีสีมีสีที่มีอภินญามีฤทธิ์ล่วมีสีเรียอ่านั่งบนเพลิงคดภาวนาอดี๋ยมันจะพบ ทางที่ผานสับปาจะผ่านคราตัวนี้มามาเผื่อมาเผือไปต่างๆที่จะหักปฏิปุป่งทางสี่ขัที่จะให้สับิกแล้วก็เสียก็จากไปเมื่อสีออกสกาพนแล้วผมตัดมาเต็มเพี้ยนตาไมตาก็ก้เลาออกซอัที่มาติดล่อา่ได้ออกไปคานสับปาก็เกลือกใครนะที่าอดนั่นว้แ่ า, างข้าไ่สีเนื่ยไม่ใ่ใครล่ามันจะมีสีไนทนะไทไปนี้เล่าไปนรว่างเงี้ย ก็เล่งานเเียะเมื่อวันท่านแล้วมามา่อยจับ้งเราไม่ซื้อดอกใชแล้วอัจฉริยะเอน่าเป็นการอาหิที่อาจับมาขากมาจับังอย่างนี้วานก็ไม่ฟังเสียงเสียจัดการคบปล่อย้อนมงสีเปการใหญ่ตเสีมันยอมเยะามาบัตแล้นไม่ค่นะมทานมาบัเสียแล้วก็เอื้อนงคาเงินสีเกมสีออกเลยไงิสีว่าตั้งใจแบบนี้ท่านอยากให้เราเห็นหน่อยเาดท่านจะมาปลูกอามที่ตรงนี้เจรขเป็นการจับขังมาแล้วสิเราได้ ด้วยบาปอันนี้แหละที่ทำให้พระเจาอาตเนี่ยจะต้องประกรรมลาบากคือเขายิดอนนาาในบ้านใายีริกส์ได้ทมอันนี้ค้นอุ้ยฉันดีอยู่ได้ถวายดิงเป็นพานรเจ้าจะพระเจ้าอันนี้เระอง็ส่งมาให้เราน้ํนาจช่นแล้วก็พ้นห้อากุ้ยฉันนหนอยู่นะตามมาตามมาเขทาอุปมาด้วยนเขาท่าบบเป็นครนแห่งกุ้ยฉันก้นต่างกุ้ยฉนมาเห็นนีเงินคกัมานีกุ้ฉนเห็นหดหน้าทีลอากุ้ันใส่อากุ้ยฉันเห็นหมดหน้าทีล้กุ้ยฉันใส่อีกคนเรา้น แต่ก็ยังเรียนได้ไปเตกันว่าสงสารเราจะไู้ไหมว่าชาติทบทำเวรมาสี่าพิทำบาปมาสี่าพิเราก็ไ้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะบาปเวรทำเมรร้ามบอกว่าเป็นต้นกำเนิดมันทันเาถึงไหนก็ให้ผลนั่นที่เป็นฝายดีพอทันเราก็หมอไม่รู้เรยไม่ต้องการระบายจะรู้ทันรู้เราจะอุมนชูให้ถึงสักไปเรื่อก็มาบรรดาลนิสัยมีสูงสือเป็นเจ้าคนนาคนมีบุญหนักสักลายเอาชูมาไอฝ่ายบาปที่มันตามมาถึงหักมันไงครบแล้วแกถึงตามจะมาหลายพักหลายชาติมาเจอตอนนี้ดีลจะเล่นงานแกละ ตอนนี้ก็คันเครเข้ามาทินคนถ so, like? ึงอุ้มเนดำบ้านเป็นอเมริกอย่างนี้พระเจาโศกะไเป็นตัวอย่างให้ดีเพราะฉะนั้นพรเจาเศษบนที่เขยายหนึ่งจะเข้าใจแต่ติดใจก็เด็มันจะกรัดมาที่จะเือดอ้างศนย์เงินสูงเด็กเลอาน้าเนี่ยมีอำนาจเาช่อแม้ไม่มนาแมก็จะทาเป็นทำทาก็ได้พะเาโก็ส่งคนไปพอสิ้นคนลงเพราะโยการสคอดของพะเจาศกที่มีงต่อทาอินดรยท่านนั้นยกเลิกหด ตุตา้างก็มาชี้ก่าเลิกนาแล้วต่อไปนี้เลิทํารปกครอแบบนี้แล้วที้ในการปกครองแบบเต่าไม้่แบบที้จะทามาที่กัเตาไม้ไผ่เพราะฉะนั้นอินเดียก็สับไปถูงยุคลู่ใหม่แต่หลังจากนั้นเกิเขึ้มาไม่มีกแเยขึ้นมายุคล่มเรือายใต้ทีกคนไร้สานของจิตาศาสนาไม่มีเลยเป็นเป็นยุคหหึ่กันแล้วตอนนี้ตอนนี้กิตะศาสนาจะีเหมือนหมน้ายงีเหมือนภาพศาสนาที่ฆ่าหลายมากรามีคนมาก้ว กาตัดอมตามาที่เป็นทาพุทธไมะเป็นมหาราชกระาะเรับยกว่าเป็นปบะเกศคิงเนี่ยดึงเอ็มนึงาเ้าไม่ลิงพระหรือไม่นันเบอร์ไมินค์ท่านม่ถูกใครเลยมาเป็นพลังเป็นพลังชาติกลืนนะพลังชาติกลืนดีมาตีอินเดียอาริชันเบอร์มาตีอินเดียแล้วอาริชนเดอร์มาตีแขมุนพันจ่าพันจาไมได้ไนั่งพิชิตแล้วอาริชันเบอร์จะตีทาพนต่อไปมาตีที่ไนั่งแขาพวกแม่ทัพมองตองให้อารันเบอร์ไปละไปเลหละแล้วคิดถึงคิดถึงเยอสิบานเป็นทีลว ออกจากเมืองมาทีโดเนียมาตั้ง5ทปีหปีไะ้ยังไม่ได้เยอะเหรอเหรบ้านตีเมืองมาเรื่อยตนองต่ออีกอ ja. ีเรียอีรานแล้วก็มาโตเซียอีกอีมาอีระเข้ามาอินดียอีกหลายหลายเราจะขอกลับบ้านสัทีเถอะอันนี้สันเดอร็จดเนคนเดียไรเงาทำพวกทาในการดมเมือดก็ต้องจำใจจับไอตอนก็จับก็จันตั้งนี่นองก็ขนมนี้เตแต่ละคนแต่ะคนก็กินเงินกิน้านไ่างที่ตัวตีได้อันนก้าันเดอร์กลับเมมาีโดนียแล้ว ก็ไแค่ people, เมืองดับูนไม่ถิดคนดันย LIKE าพิษฆ่าตายเวลาตายอายุอาลุการ์ดอร์อายุหน3มสิบาเองแต่วเาในหนึ่งก็ออยู่จะตายได้ที่คนก็วัดยาฆ่าอาลุการเดเด์ตั้งคืออายุการ์ดเดิมของมเองมากมาต่างๆไม่ตินเรื่ทั้งในเอ่อเปอร์เียทั้งในีรยทั้งในอดคว่าในอนเดียซีเรีก็มีเอ่อมคหนึ่งเป็นกระสับกระสือในีเรียก็มีโซเรโอคุเป็นกระสับกระสือในอินเดียใสจาด มาตรียในฐานตมีกษัตริย์าติเอและพะเจามุลูนบาลีดีคือฝรั่งาติเองเชือใเลสันเดอยกทัพมาเป็นอินเดียดังลาตอนกลแห่งทศตวรรษที่สมาเป็นอินเดียพอมาถึงเป็นอินเดียั๊บอเลนเดอร์ยังเป็นวิชาที่ถึถึงศาสนาฝร่งไมาถึงก็ท้าทายักษาอินเดือเพ้าใช้ซึ่งซึ่งตอวทีก็และขัดถึง มันม<บ> <PTSD> ี้ามาเหน้าด่าทนายายดาลืมว่ากรีซน้าจะมีนักปรัชาเมืีนว่าสมัยจักรันเน่ยถือเป็นยึดยึดคอนเป็นปััชยาหมกันเนอะป็นนักตรามันนี่ถือกโจารีส์ยอดชแยเหมืนั้นเพราะนั้นไม่ต้องสสัว่าทำไมมีลินพาถึงโตวารีส์ถึงนักพอเป็นีินพเสร็คำว่าติดโขดคำบูรีโติดโขดคำบูรีโตชาวตวาดชนูทวที่ว่างเล่าชมภูทั้งทีไร้นักตรามาเอาที่เยีนึงถึอมกเป็นไทยมาตอบทุกอย่างได้ตอบว่า เจ้โมพเตเนี่ยื่อนลเต็มอยู่ไมนานพอมาถึงเมืองสาคลนครบังอดใสไม่ออกแล้เพราะคณานเสงอเมงนีได้ส่งขณาเกษตรออกไปเบนื้อให้เจ้าขาดย้งนึนขณานเกษตรขอท้าเวลาชิงเกษตรแล้วเรืนี้เป็นขั้นหายิ่งได้เกิดขึ้นอย่างที่เราเลาทราบกันดีแล้วว่าเป็นปัญหาน่ะคืออะไรปัญหาพยายามดีเตอทาท้าทายกับอ่าขณานเกษตรจะังท้อานเกษต พแพ้แล้วรเจ้าท่านกะแพ้ใด็กผู้ายโดนแท้กรับแพ้ชนะก็รับชนะพระตาพระองค์เต็นพุทธมาหมดจ้นี่คือุตจสนาเป็นการใหญ่ขุตกรสนาก็ได้แพ้หลายในอินเดียครับนอกประเทศไปเลยก็ได้แพ้หลายในเมืองฝรั่งเป็นวาระที่สองด็กทุคนของพระเจ้ามีหนึงพระมหาราชหลวงนนันเดหลังจากน้าซอมาอีกกระทั่งอันี้สรัทิบแปก็มีสักองค์หนึ่งที่ว่ากัลลิ พระเาิาี่เป็นข่ามงกรายนะถึงไหนนะในพวกเรนอะจะยกระจากรไที่ฐานยกยถื่มาดูเหนน้ำอเมดาเรียนแล้วก็ข่ายอำนาจยกเถื่อถึงแท้ไปแล้วยกข้าวซินเดียดิซินียตั้งแต่ทันคาระมาถึงตาเสนยัไม่เสร็จที่คนของพิสารณ์เึเหมือนพิเศษในคนไม่เจาพิจารณ์พระเจ้าพิจากเป็นมาเด็นขาวกูอีกภาษาจสน่ห์กู้จจะมามากแล้วก็เป็นมหาราชกองหนึ่งไแผ่พุทธศานาออกไปถึงเงินจีนพิจารณาแผ่ไปเอาพิารณาไปแพร่หลายถึงงินจี ตอนนี้ล่าได้เกิดคุกศัตรูน้ำแบบมหาใหญ่ขึ้นอันเป็นแบบที่ผสมเข้ากับความคิดละำเส้นธรรมของคลองสินกับคลองรามก็มาด้วยจะเกิดเป็นศาสนาแต่ไอ้เจตามหาญมาในคุกศัตรูน้แล้วก็เชื่อเป็นเผยแผ่ตั้งมหาใหญ่นี้เผยะว่าเปอนเผยแผบไปกระทั่งมาถึงตอนศตวรร่กาไม่สมัยพระเจ้าราชวงศ์คุกศัตรูคลงเดือราชวงศาคุกศัตรูราชวงศ์คุกศัตรูนั้นจะเริ่มมีภาพในเริอนจับในการจีนแปลระบบภาพใเรืนเกิดขึ้น อาพุทศานาเป็นล so ักษณะเปานฟ้าเป็นเงินพ so, so, so <the> ุทะศาสนาที่อาจจะัด <they> ก <the S 1> so ับล <That>, <cartridge> ักษณะภาพเงินของเวทรามในท่านนั่นแต่ที่ตอนนั้นเ่าเรียนพระศาสนาเคื่อก็ะอุปถัมภ์ไปพร้อมกับศาสนาพราบเราจะฝกเราเรีน่แหละได้สร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งรกขึ้นในเลกอาวุธยาลันดุกนารันชามหาวิทยาลัยนารันชาสร้างขึ้นในเลก นาล้านานเปดมาอย่างไรกันเล่าถ้าเป็นรขทาเรืัตท์เองการศาองเราจะพกัศาสนาคืว่าเราจะพูดไดว่า university นั้นว่ารเลคือูกศาสนาไม่ใช่รั่งฝรงจาก university นี้ university จริเรทาพิานขึ้นาดลาเยออินเดียในขณะที่อินเดียมมหาวิทยาลัยเลนะรไมว่ามีเพื่มาทาลัยีนดูเลยาอังเทาอมัิคนต่ำนีหนังสัตว์อยอังกฤก็ อังสุดพวกตันโอพวกออังสิโอ่ยังเป็นหนึ่งแมงสาตัวกระพุ่มโรมจากากคอยสันติโนเซมันกำลังรบกนอยู่ด้วยะพวกโรมันพวกอะไรยังเห็พวกอังสุดพวกคนตาพวกพระรามเซนก็เป็นคนตาเห็นวกคนตาลเป็พวกบารเรียมนั่นแะในขณะนั้นน่ะินเดียที่อยูที่สี่ขนาดเมืองมหาเสียอะไรแล้วตอนหน้านมื่เราเคยยินมากว่าเมงมหาียอะไรปากกัสยานม่ดีไหมบอกว่าพวกครรามเซนพวกัตติยะตระกูลบ้างขนาดบอมบี้บ้างในเรืองที่ปากกัา หลายปกตริลายเนี่ยไม่ใช่เหนุ่มหนูสินะเป็นารศึนระบบครอบครัวคือว่าการมาเรียกสอนที่สาบันเนี่ยครมีความรู้อะไรก็สอนันเฉพาะในครอบครัวแล้วเราจะไปรัำเรินกระท่ำเนี่ยก็ต้องเป็นลูกศิษย์กาเรียนลูกศย์มีสองแบบแบบหนึ่งเรียนแล้วตเสยเงินให้อาจารย์แบบนี้ก็มีความคิดจนดูสบายหน่อยคีกแบบหนึ่งเรียนแล้วเป็นเงินเสียแต่ต้องทำงานให้อาจารย์ต้องเป็นคนทาสมนตัดหน้าล้างเท้าเรับ เช็ักทนอนก็มีบทับถางอาจารย์แบบนี้เรกว่าอาจารย์ศิษยาโม่แล้วก็ได้ศึกษากับปักกาปักกิลาเป็นชื่อเมืองแต่เป็นชื่อเมืองที่มันตราบมากมีศิษยาโม่มากเพราะฉะนั้นใครจะไทีปักกีาเน่ยทหลายยันไม่ก็เรียนแบบมหาเทียร์อะไรเรียนแบบครอบครัวเป็นการศึกษาในระบบครอบครัวเรียนแบบฝากเรือฝากจออยู่กับอาจารย์ที่นอนอาจารย์ในบ้านจะเจแบบนี้ไอ้บาที่วัดจเป็นมหาเทียร์อะรแล้วจะมีการศึกษาตามแขน่างนั้น แต่านาเป็นศาสนาแรกที่เราเนอใครไม่ดนี่เดี๋ยวันมุ่งชนเจตนาพิจารณ่จะตกฝรั่งมั่งค่าที่น้อยแหละคนนี้ไม่ไม่เคยศึกษาเก่ยวาสนาเป็นน้าไปรังเมื่อกาอะไรเราก็ฝรั่งนี้ริ่มตายเลยพิจารณาลิเรน่อนเนี่ยฝรั่งมาสามต่อเอารอบแบเอาไปเราจะพิจารณามหาวิทยาลัยที่ว่านี่คือนาลันคานาลันคานี้ปัจจุบันอยู่ในรัฐพีหานั่งเป็นเบียแล้วก็ชื่อว่านาลันคาเป็นชื่อของหมู่บ้านนาลันาม นารันะคำอหามจะกกล้าเคออกไปทางหนนี่ยนารันพะที่หมู่บ้านนี้แหละเป็นแดนเกิดของภาษารีบอกมาเส่ทำมาเสนาบันดงของพระวิิตเจ้าในหมู่บ้านนี้นรันพะเนี่ยแล้วก็หลังจากภาษาดีบุที่พามไปแล้วในสมัยะเอเศษพระเ้าเศษต้สร้างรัดกๆหหนึ่งที่หมู่บ้านนี้เป็นอันอสอนสภาษารีบกกลาเ็นว่าเล็กนั้นมันดย่างนอะไรนะต่อมาก็สะเวลา่วนครกเรมเป็นกรแพระเจ้า สักราพิตรราชาแล้วก็ต่อมาพระเจ้าทุกคุตราชาพระเจ้าสถาปัตยุขุตราชาพระเจ้าคุมาลขุตราชาพระเจ้าผ่านพรมินเหล่านี้ราชการต่างๆเหล่านี้ได้กระลักคุเมทรัพย์ขยับขยายวัดนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ก่อสร้างอาคารสถานวิหารต่างๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวัดวัดนี้ไม่กายเป็นวัดแล้วกระจายเป็นเมืองไม่น้อยเมืองหนึ่งมีปราการล้อมรอบ แล้วก็มีมนเทียมที่จะสาบสุดจัด